อนาปฏิวานพิกชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ792 1. ริกษาณีขอผ้าห่มบางราคาสองกังสาครึ่งเป็นอย่างมาก 2. องพิชณีขอพระห่มบางราคาหย่อนกว่า2กังสาครึ่ง3ามพิชณีขอจากญาติ4ี่พิชณีขอจากคนปวรรณา5้าพิชณีขอเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหกพิชณีซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน7จ็ดพิชณีจ่ายผ้าราคาถูกต่อทายกผู้ต้องการให้จ่ายผ้าราคาแพง 8. ภิกษุณีวิกลจริต 9. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่12จบ